ขอความสุขความเจริญจ็มีแด่แท่านสาธารชนทั้งหลายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้พูดเรื่องถึงวิปัาสสุทธิประสุทธิ์ที่ว่าด้วยความเห็นที่วิปัาสุทคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจึงก็เป็นความคิดเห็นในกระแสของโลกลเป็นปัญหาที่ กัดขวางจิตใจของคนเราเอาไว้ไม่ให้รู้เห็นความจริงที่เราเรียกว่าวิปัสนามันวิปัสนากรรมฐานโดยเนื้อหาจริงๆก็คือต้องการจะกระจัดความเห็นที่มีประลาดทั้งสี่ประการนั้นวันก่อนได้พูดมาเฉพาะเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เพื่อนำไปสู่ปัญหาต่างๆแต่แม้แต่ความรู้สึกนึกคิดของเราที่ไหลไปตามกระแสของตัญหากระแสของอารมณ์ดาดการควบคุมหรือว่าควบคุมได้ไม่เต็มที่ก็สืบเนื่องมาจากความรู้สึกตรงนี้ที่ท่านเรียกอีกในย่านหนึ่งว่าสัสตตติทิ คือความเห็นว่าคนสัตว์แต่สิ่งเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจนกลายเป็นความคิดเห็นถึงสิ่งที่สูงสุดว่าเป็นของเที่ยงก็กลายเป็นลัทธิศาสนาประเภทเทวนิยมตรงนี้ก็มีปัญหามาตลอด แม้ในสังคมพุทธเราเองให้ลองสังเกตว่าเราจะถกเถียงกันเรื่องนิพพานเนี่ยมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้ในสมัยพุทธกาลนะฮรสมัยพุทธกาลก็เถียงกันอยู่แต่สมัยพุทธกาลนั้นก็ดีหน่อยที่พระเจ้ายังทรงประชดอยู่พอเถียงกันไปตะลงกันไม่ได้กระกาบทูลถามก็เทร่งชี้แจงแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เถียงกันมาจนหนาถึงปัจจุบัน ปัจจุบันแนวความรู้ในเรื่องนิพพานบางเรื่องนี้เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอาการของ ส, สติติจิคือความเห็นโนเชียงมันเป็นการไหลไปตามกระแสของการมาตัญหาภวะตัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภวะตัญหาพูดถึงการบังเกิดในสถานที่บางแห่งเป็นความสุขชั่วนิรันดร อย่างนนนิกายมายานก็มีสุขภาวดีพุทธเกษตรถือว่าเป็นความสุขสูงสุดแล้วคนไปอยู่นในที่นั้นก็จะเป็นความสุขชั่วนิรันด์เราพูดถึงเมืองแก้วคือพระนิพพานที่มีความสุขเป็นนิรันด์พูดถึงจตนานิพพานพูดถึงแดนนิพพานพูดถึงเมืองนิพพาน ซึ่งแต่ละอย่างนั้นที่จริงมันเป็นภพทั้งหมดเมื่อเป็นภพมันก็ต้องเป็นชาติเกิดต้องมีความเกิดความเกิดก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นกระบวนการสังสารวัฏแต่ว่าใจที่ยังมีความรู้สึกในแนวนี้อยู่มันก็คอยควา้าปรารถนาเฉย น, นั้น ล้วคงจะถกเถียงกอยู่ตลอดไปะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาที่เราแยกไม่ได้เพราะแนววิปัสนาจะพบว่าคือมองในสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการเกิดดับแต่เกิดดับต่อเนื่องที่จริงมันก็ดับจริงแต่ว่ามันมีเกิดต่อกันมาอีกมันก็ดับอีก พอตัดการเกิดดับได้เราจะมองการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับเปลี่นทั้งสามช่วงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับแล้วก็มองเกิดกระดับแล้วก็มองที่ดับก็จะเห็นเป็นกระแสะการไหลที่ดับไปเรื่อยเป็นการมองชีวิตใกล้ๆกับบ้านที่ถูกไฟไหม้ความพยายามในกาของบ้านคือรีบผลของออก มันแก้ไม่ให้บ้านถูกไหม้เปนในไฟไม่ได้แล้วก็สามารถที่จะอของออกมาจากบ้านได้ก็เป็นการมองในแนวสังสารวัตรหรือยังไม่ได้ถึงการหลุดคน้นเช่นการจเจริญมนั์สติแล้วก็มองชีวิตในแง่ของความไม่เที่ยงแล้วจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ พะเป็นกระบวนการการเกิดดับที่ต่อกันไปเกิดแล้วดับดับแล้วไม่เกิดมันก็ดับจริงแม้แต่เรียนจะโรมา ใ, ใจเข้าออกในจุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งรสงบเราก็ดูที่ความเกิดดับแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มีความเกิดดับมันก็ลดความรู้สึกอกพันในแง่ความไม่เที่ยงลงไป พอรตรงนี้ได้มันก็เกิดความรู้เห็นตามความจริงเรือเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามคือไม่ไปเล็งผลเลื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเข้ามาคล้ายๆกับการเวลาเรามองเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนมันเป็นกระแสที่ไหลเราก็ไม่ไปวุ่นวายกับเวลา ยิ่งแต่เราใช้เวลาที่มาถึงข้าวใ้เกิดประโยชน์ในขณะที่เราใช้ประโยชน์แกก็ไหลไปเรื่อย เ, เราก็ใช้ประโยชน์ไปเรื่อยเวลาผ่านไปจริงปรากฏว่าแต่ละขณะที่ผ่านไปนั้นเป็นขณะที่บรรดาประโยชน์พวกแนวจเจริญ น, นะฮะท่านทั้งหลายจเจว่าแนวจเจริญก็คือแนวที่จะใช้ความไม่เที่ยงมันเป็นประโยชน์ แต่ไม่ใจะไปแก้ตัวไม่เที่ยงนะครัไม่เที่ยงเราแก้มันไม่ได้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติของมันแต่ว่าชกฉวยประโยชน์จากความไม่เที่ยงเมื่อมันผ่านไปเราก็ได้สาระประโยชน์จากการผ่านไปเป็นการเสริมค่าชีวิตเสริมคุณภาพชีวิตนนเพราะแนเจริญศีลแ น, นจเจริญสมาธิแนวเจริญปัญญานั้นจะชัดมาก มาความพยายามให้จิตส ง, งบอยู่ทุกขณะพยายามให้เกิดปัญญาอยู่ทุกขณะพยายามอยู่ด้วยศีลทุกขณะเวลาคงผ่านอายุก็คงแก่สังขารล้วคงเสื่อมแต่เราได้ประโยชน์จากความแก่ความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้วก็มองเลือนไปถึงสิ่งที่พระญาติทรงสรุปตอน ก่อนจะปปนิพพานนะั้นในมาปิริพานนะสูตรเป็นการสรุปรวมคำสอนก่อนจะนิพพานะแล้วเน้นมากก็คือเน้นไปที่สาระสาระเป็นแก่นของชีวิตจริงๆเป็นสาระประโยชน์เป็นชีวิตจริงๆที่จะอนวยประโยชน์สุขในระดับต่างๆ ระดับมนุษย์ระดับสวรรค์ระดับนิพพานแก่นก็คือศีลแก่นคือสมาธิแกนคือปัญญานั่นก็เป็นส่วนเหตุที่เราสร้างขึ้นและส่วนผลก็คือส่วนของแก่นที่เขาสร้างขึ้นมาเองก็ํอนองใกล้ๆก็เราปลูกต้นไม้นะะเราก็สร้างได้เฉพาะต้นไม้เราก็ปลูกได้เฉพาะต้นไม้ แต่กิ่งใบดอกผลแก่นของต้นไม้ต้นไม้มันก็สร้างให้เราเแต่เราต้องปลูกเข้ามาผลศีล ส, สมาธิปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ส่งสอนให้เจริญคือให้บำเพ็ญให้กระทำแต่พอศีลสมาธิปัญญาเขาเพิ่มขึ้นไอ้ แ, แก่นอีกสองประการก็เกิดตามมาเองเรียกว่ามุติสาระคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสอำนาจของความเั่ว กับวิมุติญาณทัศนสาระคือตัวความรู้ความเห็นในวิมุติคือความหลุดพ้นที่ปรากฏภายในจิตก็แนวธรรมคุณที่เราสวดว่าปจัจจตังวิริตโโบวินโยชิวินโยชนรู้ได้เฉพาะตนนั่นเองเป็นสัพพสัพพตรงของคนแต่ละคนในสายตรงนี้แต่ก็รับรองทั้งสายที่ว่าสัพเพสังฆารานิจาติยดาปัญญาจะปิ เมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นจะหน่ายในทุกหน่ายในทุกก็คืออะไรคือหน่ายในขันทั้งหลายที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเม่ก็จางก็คลายลงไปเพราะจริงๆมันไม่มีอะไรจริงอย่างนั้นในเอสามะโควิสุทธิยานี้เป็นทางแห่งความหมดจด หมดจดจากอะไรหมดจดจากความหลงหมดจดจากกิเลสทั้งหลายนเป็นการสอนให้มองจากสายตรงนี้แต่พอเห็นมันก็เห็นหมดนะะอีกสายหนึ่งก็คือมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขความทุกข์นั้นมันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสภาวะ เป็นสภาวะธรรมชาติธรรมดาของสิ่งของสัตว์คือเกิดแก่ตายนะฮะเป็นสภาวะธรรมดาถ้าไม่มีชีวิตเราเรียกว่าเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปสิ่งที่เป็นโลกกวัตถุทั้งหลายมันกระตุ้นตัณหากระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะมันเกิดขึ้นภายในใจเรา ทั้งทั้งตมันเองก็เป็นทุกข์หรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดำไปแต่ลองสังเกตว่ามนุษย์จะยื้อแย่งสิ่งเหล่านี้จะปรารถนาสิ่งเหล่านี้จะ ต, ต่อสู้ค้าหันดทำลายล้างกันเพราะสิ่งเหล่านี้ตัวไม่เที่ยงเลยก็ไปยื้อแย่งสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเองเป็นทุกข์แต่ก็ไปยื้อแย่งไปปรารถนาสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นการเพิ่มทุกข์ เราจรึงทุกข์ทั้งเพราะมีและเพราะไม่มีเพราะอะไรพระใจไปรู้สึกว่าเราไม่มีเรามีเรามีก็เป็นทุกข์ในการดูแลรักษาเราไม่มีก็เป็นทุกข์ในการไม่มีสิ่งสนองต่อความปรารถนาะมนุษย์จึงดิน้นจึงดิ้นรนประสบความทุกข์กับรู้สึกว่าเป็น มีกับไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีเรารู้สึกเป็นทุกข์ท่านั้นเพราะงั้นาการลดละนั้นก็คือการรู้ทันสิ่งที่เรามีและก็เราไม่มีมาความว่ามีก็ไม่ไปยึดมั่นถรือมั่นอะไรมันแต่จริงท่านก็ต้องมีนะฮะท่านไม่มี ก, ก็ก็ไม่ได้เพราะอย่างน้อยที่สุดปัจจัยสี่เนี่ยก็ต้องต้องมีแต่ไม่ไปดิ้นดนคือไม่ไป ไปผูกพันกับความมีหรือความไม่มีใจก็จะไม่ผูกไม่แพรได้มาก็ก็ไม่ได้เดืเอดไอ้ก็ไม่ได้ดีอกดีใจอะไรเสื่อมเสียไปทําลายไปแตกลับไปก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเพราะสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ในส่วนสภาวะของคนเราก็คือเกิดแก่ตายสิ่งไม่มีชีวิตก็คือเกิดขึ้นดังหยุดดับไป นี้เดียวกับเป็นทุกข์โดยสภาพหมายความว่าทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองจะต้องตกอยู่ในสภาพนี้ทั้งหมดเป็นลักษณะที่เสมอกันคือเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่จอนเข้ามาหมายความเราจะให้ทุกข์ก็ได้เราจะไม่ทุกข์ก็ได้นะมันก็อยู่ที่ใจเรา เช่นว่าการพัดพรากการสูญเสียจากคนจากสัตว์จากสิ่งอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่ใช่อยู่ที่สิ่งนั้นไม่ใช่อยู่ที่การพรัดพรากจริงการพัดพรากมันเป็นมันเป็นธรรมดาธรรมดาของชีวิตจะต้องประสบกับความพัดพรากเพราะความพรัดพรากนั้นคือความไม่เที่ยง อย่านวณนจีนที่บอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกราคือมันไม่เที่ยงการอยู่ร่วมกันก็คือเพื่อจะจากกันการร่วมนั้นที่จริงอีกมุมหนึ่งก็คือการจากการจากอีกมุมหนึ่งก็คือการร่วมกันมันก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเพนตรงนี้มันก็มีคนโถรกแล้วก็มีคนทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ ทุกในที่นี้จะเน้นไปที่ตัวเวทนานะัมาคหมไม่สบายกายไม่สบายใจอุศดือดร้อนแผดเผาประสบกัคบความโศกความรำไรรำพันความเสียใจความครับแค้นใจต่างๆเหตุการพัดพลากสูญเสียแม้จะรักใครสนิทเสนหายังไงก็ตามแต่ถ้าเรามีปัญญารู้เท่าทันแล้วเนี่ย เลยจะไม่เสียใจอย่างนี้เคยเล่าเรื่องนางจุรสุภัทธาไอสุบนาเทวีนะฮะลูกสาวของท่านนาธาบินทิกาเศรษฐีท่านเป็นพร ะ, ะบุคคลระดับสกอาตคามีคือสูงกว่าพ่อชั้นหนึ่งอะ่ะก่อนจะตายเนี่ยท่านเรียกนาธาบินทิกาเศรษฐีว่าน้องชาย อย่างนั้นน้องชายอย่างนี้น้องชายอย่างโน้นก็พูดดีแล้วก็แลก็ตายได้นาตาบินดิกาเรเศรษฐีเสียใจประโสดาบันนะฮะยังร้องไห้อยู่ก็ไปฟาดพระพุทธเจ้าร้องไห้เสียใจว่าลูกสาวในะตอนมีชีวิตยอยู่ดีเหลือเกิดแต่พอตายหลงตายได้เรียกท่านว่าเป็นพ่อนะเป็นเป็นน้องชายพุทธเจ้าบอกเขาไม่หลงตายหรอก เขาเรียกท่านตามมรตตามผลเพราะว่าในแง่ของมรตผลแล้วเขาก็เป็นพี่เพราะมรตผลก็สูงกว่าในนี้ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเห็นแม้ว่าเรารู้ว่าท่านไม่ตายลงรู้ว่าตายแล้วไปดีมันก็ที่จริงก็คือตายแต่แทนที่จะเกิดความท้อสุขเสียใจก็ดีใจ นั่นคือเป็นเป็นความรู้เห็นระดับระดับธรรมดาธรรมดาก็ในระดับกระแสของโลกว่ารู้ว่าไปดีเราก็ดีใจแต่นั้นเองทีนี้บางทีเนี่ยมันเป็นการพลัดพลากจากไปแต่ว่าเรารู้เท่าทันถึงสังขารธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละก็มม่มีใครจะหลีกหนีได้อย่างในกรณีที่ พระนางมลริกาเทวีที่เคยเลาวปัญญาของท่านพันธุระเสนาบุตีกับลูกชายที่สามีกับลูกชายคืนเดียวในถูกฆ่าตายหมดหมายความมาเกิดหญิงไม้ปุ๊บปั๊บทันทีทั้งครอบครัวเลยท่านรู้เท่าทันถึงสังขารตั้งหลายไม่มีความสุขไม่มีความเสียใจไม่มีน้าตาไหล นั่นก็คือเรื่องของความรู้กับความไม่รู้ทีนี้ลักษณะของความรู้ความไม่รู้เนี่ยแต่เราสังเกตว่าถ้าเรารู้จริงเนี่ยใครตายก็ไั้ก็คือสังขารทั้งหลายี่มีอันจะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาก็แตกดับไปแล้วนั่นคือรู้จริงแต่ถ้าความรู้ยังไม่จริงเนี่ยไม่แน่ยในกรณีตัวอย่างของสุบรเทวีที่ว่าเนี่ย ถ้าท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีท่านยังมีกิเลสอยู่แล้วคนที่ไปดีนั้นไม่ใช่ลูกของท่านแต่เป็นศัตรูของท่านมาเกิดเนสวรรค์แทนที่จะเป็นสุขแทนที่จะดีใจก็เกิดเป็นทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดแรงริษยาขึ้นลิดศัตรูได้ดีศัตรูมีความเจ ร, ริญก้าวหน้า เพราะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าวิชานั้นเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะก็เราเราก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าอันนี้โลภะตรงนี้เกิดมาจากความไม่รู้จริงตทสะตรงนี้ก็เกิดมาจากความไม่รู้จริงโมหะตรงนี้ก็เกิดมาจากความไม่รู้จริงถ้ารู้จริงท่านก็เฉยๆเพราะว่าท่านมองไปในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัย เขามีเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็เป็นเขาอย่างนั้นเป็นธรรมดาของเขาใครจะป้องกันอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่มองคนในแง่ของความรักความชังไม่มรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแ <c oughs> นวที่ท่านเรียกว่าระดับสินธรรมจรญยาก็คือมองในแนวของเบกขาใจไม่เกี่ยวก่อกับคนกับสัตว์เริ่มน่าความรักความชังไว้ก่อน แต่มีใจเสมอกันในคนในสัตว์เหล่านั้นคือเมตตาเสมอการมันมันมั น, ม, นมันไปเชื่อมมาจากเมตตานะอาจารเห็นว่าอุเบกขาเนี่ยมันมาจากเมตตามาพรับถ้าเราเมตตาไม่ได้เราก็อุเบกขาไม่ได้เมตตาในสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในที่ทั้งหลายทั้งปวงเยที่เราสวดแผ่เมตตาเนี่ยทีนี้เมื่อเราเมตตาไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ สัตว์เหล่านั้นประสบความทุกข์เราก็เกิดการูณาประสบความเจริญก้าวหน้าความสำเร็จหรือพ้นจากความทุกข์เราเกิดมุทิตาแต่ที น, นี้ก็มีปัญหาเอา่อเขาตายอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเมตตากรุณามุทิตาแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้องอุเบกขา เพราะว่าเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนั้นมันเป็นไปตามกระบวนการของกรรมเพราะงั้นตรงนี้สิ่งที่เรามองก็คือมองกระบวนการของกรรมทาบุญมาน้อยอายุเขาน้อยหรือเขาไปดีแล้วเขาก็มีสุขเขาแล้วเรายังเป็นทุกข์อยู่เนยเขาก็มีสุขไปแล้วอะไรแต่ไหเนี่ยมันก็มีวิธีคิดวิธีคิดวิธีที่จะหาประโยชน์จากความตาย ันการมองตรงนี้อย่างแนวของอนิจจานะฮะอนิจานจาคาถาที่พระชักผ้าวังสกุลที่อาารบอกอนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปดวบยธรรมมีโนโมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาแต่ว่าอุปชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับ นั้นเราใจห็นว่าปัญญาที่รู้เท่าทันเรงการเกิดการดับแล้วก็มองสังขารของไม่เที่ยงมันเป็นกระบวนการของการเกิดดับเพราะการทําใจสงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายจะได้เนี่ยจะเป็นความสุขเตะสังหูไปสมุทสุโขการทําจิตได้สงบในสัตว์ในสังขารทั้งหลายจะได้ก็เป็นความสุข แล้วก็ทำให้เกิดการปรุงตกในอารมณ์ทั้งหลายคือไม่ไปแข็งคืนต่อธรรมชาติธรรมดาเพราะไม่มีใครแข็งคืนได้นะฮะธรรมชาติธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็รักษาตัวสังขารตรงนี้ไม่ได้นะพระพุทธศีระก็แก่พระพุทธเจ้าก็แก่ก็เจ็บนะก็ป่วยธรรมชาติธรรมดาเลยเราแข็งคืนเขาไม่ได้ เ่อการมองตรงนี้เป็นการมองแนววิปัสสนาก็ให้มองอทุกลักษณะทันใวลักษณะของความเป็นทุกข์นั้นก็คือหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้โดยลำพังมันเป็นส่วนผสมทั้งนั้นอย่างนี้ท่านสอนให้มองเมื่อกัล้าชรดกล้าชรดเนี่ยที่จริงมันไม่มีราชรส ราชรถมันเกิดมาจากความคิดมันเป็นนามธรรมมาก่อนคนมันคิดอยากจะมีราชรถมันก็คิดรูปแบบราชรถขึ้นแล้วก็ออกแบบพวงติ่งแบบแก้ไขแบบแล้วทำไปตามนั้นปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเราเห็นว่ามันมีเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นส่วนนามธรรมและทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรม ตัวนี้ก็มองเลยไปจนถึงการเกิดของของคนของสัตว์เนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันมันก็มีเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามนธรรมเพราะว่าตัวความเกิดก็เป็นทุกข์ด้วยนะปัจจัยที่เป็นรูปธรรมก็คือการมีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างสามีกับภรรยาจจัยที่เป็นนามนธรรมก็คือกิเลสก็คือบาปบุญ ก็คือตัวสร้างปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้เป็นนามธรรมล้วนเพราะนามธรรมานั้นจะต้องไปสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างได้สัสดส่วนนะฮะจึงจะมีการเกิดขึ้นเพราะความคิดเป็นมากที่มันไม่เกิดเป็นรูปธรรมบางทีคิดฝันสร้างวิมานในอากาศคิดเกินไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้ มันเหมือนกับผูผู้แทนคิดนะนะลองฟังข่าวผู้แทนฟักนั้นมันจะได้เท่านั้นตอนนี้นับแล้วเป็นพันนะนะฮะทางที่ตัวผู้แทนที่จะเลือกตั้งตอนนี้สอสอเราประมาณสัก เ, เกือบเกือบสี่ร้อยนะสามร้อยเก้าสิบว่าสามร้ยเก้าสิเอ็ดนี่ยนะสาม้อยเก้าสิเ็ดแล้วนั่นก็คือคือคือษัอะานา ม, มาทำเป็นความคิดล้ว ค, คิดบางบางทีมันเป็นรูปธรรมไม่ได้ ก็มีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบอีกเยอะตัวความคิดนั้นจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมด้วยรูปธรมรมเหล่านั้นจึงจะเกิดขึ้นมาได้ผลสิ่งทั้งหลายเมื่อเรามองไม่ว่าตัวความเกิดความแก่ความตายหรือว่าตัวปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเกิดไปจากเหตุปัจจัย รัศ马拉ทางอารมณ์ที่เป็นอารมณ์รักอารมณ์ชั่งอารมณ์เศร้าโศกเสียใจอารมณ์ดีอกดีใจที่จริงมันมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นมันไม่ใช่ตัวตายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้มันผิดกับตัวสภาวธรรมตัวสภาวธรรมนั้นเป็นเหตุปัจจัยหลักของเขาก็าต้องเป็นเขาอย่างนั้นแต่ตัวอารมณ์ในชีวิตประจําวันเราจะเห็นว่าเป็นเหตุปัจจัยของเราเอง มันเป็นเรื่องความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยเป็นตัวการสําคัญโดยเฉพาะความรู้สึกรักชังดังกล่าวจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นดีใจเป็นเสียใจเกิดขึ้นอยู่กับการกําหนดอารมณ์ของเราเองปัญหาว่าเรามองคนมองสัตว์ตอนนั้นอใหญ่ๆรตดาบใดยังมีรักไม่ชังในความทุกข์ความโศกก็เกิดแน่นอน เพราะมันเป็นของคู่กันความรักความจางนั้นมันนํามาซึ่งความสุขความทุกข์นะอย่างที่พระพุทธเจ้าส่งส่งแสดงว่าเปียโตชาเตโศโกเปียโตชาเตพยั่งอะไรนะครับที่ที่อะไรอะ่ะเือก็มาแต่งว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะฮะไม่ความว่ามีช่างก็มีทุกข์นะฮะเพียงแต่ว่าเขามองไปในแง่เดียว ช่งก็มีทุกข์นะฮะแล้วก็รักก็เป็นทุกข์เช่นว่าคนที่เราชังก็ได้ดีเราก็มีทุกข์คนที่เราชังประสบควา ม, มาทุกข์เดือดร้อนเราก็ได้สุขพราคนที่เรารัก <c oughs> ได้ดีเราก็มีสุขคนที่เรารักประสบความเสือ่อมความเดือดร้อนเราก็ได้ความทุกข์นั้นก็แสดงว่าความรักความชังเป็นเหอุของความทุกข์ ไม่ใช่จะพอรักอย่างเดียวอย่างที่เพลงก็ว่า <c oughs> และการต่อไปก็คือว่ามันไม่มีอะไรคงอยู่ในสภาพเดิมเกิดปั๊บมันก็ไหลก็สูส่กระแสเป็นแบบอันนี้ตรงตรงนี้คือไม่เที่ยงด้วยนะฮะเพราะสิ่งไม่เที่ยงกับสิ่งเป็นทุกข์นั่นเป็น <c oughs> เป็นเรื่องเดียวกันอย่างที่ท่านบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ิึงเดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ก็ไม่เที่ยงและในส่วนของเวทนาก็คือว่าจะถูกแผดเาด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพราะะชีวิตเราจึงเดือดร้อนตลอดมีทุกตลอดจะาถามว่าทำไมเราจึงทนอยู่ได้ทำไมรู้สึกว่าเป็นสุขเพราะมีการผลัดเปลี่ยน เขาเรียกอิยาบทมันบังไว้หมายความคนเรามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดถ้า อ, อยู่เฉยๆในอิยาบทในอิยาบทหนึ่งมันก็อยู่ไม่ได้แม้แต่การเจริญกรรมฐานเราสังเกตว่าการเจริญกรรมฐานาพระเจ้าอนในรูปเรียนอิยาบทใช้อิรยาบททุกอิรยาบทเป็นเครื่องมือในการเจริญกรรมฐาน ผลตัวการกรรมฐานจริงๆจริงไม่อยู่ที่ตัวอริยบทแต่อยู่ที่ตัวสติเรารู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นหมายความว่าควบคุมจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์ที่ใจกําหนดระลึกก็แล้วแต่อารมณ์อะไรอิริยบทจึงเป็นตัวเสริมแต่ทีนี้บางทีอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นี่เราเห็นได้ชัดว่าสร้างปัจจัยเสริมประทับนั่งไม่ยอมขยับเลยอธิษฐานพระไทยด้วยเลือดเนื้อในกายของเราจะเกิดแห้งไปอย่าเหลือเหลือแต่นังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าให้ได้าสารูจะไม่ลุกขึ้นเพราะประเจนว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันปรากฏให้เห็นเห็นกันจัดจะเห็นกันที่พระองค์เองนั่นแหละเห็นกันที่แข่งที่ขานี่แหละอย่าลืมว่านั่งไม่กดิกเลยเนี่ยมันไม่ใช่สนุกนะค่นะั้ ก็เกือบตายแหละแต่ว่ามันช่วยในลักษณะที่เห็นทุกเพราะนั้นเวลาสอนระดับวิปัสสนาถึงจุดหนึ่งมจะสอนแน่นี้เพื่ออะไรเพื่อสร้างปัจจัยเสริมสร้างปัจจัยเสริมได้พริกมาเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นดูมนได้เห็นดูมันจะจัดูตัวเสียดแทงดูความทุกข์ที่เกิดจากการเสียดแทงมีการแผดเผาเกิดความเล่าร้อนรุนแรง ชาไปหมดทั้ ง, งเอลทั้งครึ่งตัวอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็เห็นความทุกข์ตอนนั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นกระบวนการธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนพอถึงจุดหนึ่งมันก็หายได้พอแสดงมันเกิดมาจากเหตุปจัจจัยพอเหตุปัจจัยให้ไอ้ชาให้เนบไปปวดให้เมื่อยมันหายมันก็หายเสร็จแล้วก็กั้ตัวขึ้นมาใหม่ก็ตั้งตัวขึ้นมาใหม่ ทีมันจะมองสืบสาวกลับไปบวกควอทุกเหื่อนี้มันมาจากอะไรอย่างสำนวนที่พระพิจารณาท่านชอบใช้นะฮะท่านชอบใช้มีสามเณรรูปหนึ่งอุปถากอุปชาอุปชานั้นเป็นพระปุถุชนสามเณรบวช ว, วันนั้นก็บรรลุมรผลวันนั้นเลยเก่งมากนะเป็นพระหันในวันนั้นนะ อุปชานั้นไม่รู้ว่าเนรเป็นพระอาหาร์แล้วก็เป็นพระอาร์ไม่เป็นพระอาร์ก็คือลูกศิษย์เลยนะฮะก็ปฏิบัติวัดถากอุปชายะมาตลอดเดินทางไกลมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามันมีวินัยอยู่ข้อหนึ่งว่าพระกับอนุปสมบันคือพระด้วยกันเนี่ยนะฮะนอนร่วมห้องเดียวกันเกินสามคืนเนี่ยไม่ได้วินัยก็ห้ามแต่นี้การเดินทางไกลอย่างงี้มันก็พักด้วยกัน ก็นอนบนเตียงเดงก็นอนข้างหลังพอคืนที่สามแล้วอาจารย์นอนหลับสบายไปเลยลูกศิษย์เป็นห่วงอาจารย์จะต้องอบัดก็ลุกขึ้นนั่งอ่ะไม่นอนนั่งอาจารย์ตื่นขึ้นมาก็ที่จริงก็รุ่งแล้วละทำไปนึกได้ว่าคืนนี้เป็นคืนที่สามกลัวจะต้องอบัดก็ยกพัดขึ้นมาตีเ น, นให้ลุกขึ้นเนี่ยนะ ปรากฏว่าเนนนั่งประูกตาเนนบอดเนนก็ไม่ได้บอกอะไรก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองเวลาปัดกวาดเวลาประเกนของอะไรเนนก็หยิบของมือเดียวอุซายักก็ดูเอาเนนก็เล่าขห้ฟังว่าไม่มีมือคือมือข้างหนึ่งมันมันใช้ไม่ได้มันปิดตายาเลือดมันออก ทำไปทามาก็รู้ว่าตัวเองเตียวเนีนตาแตกตาบอดตกใจมากขอเข้ามาโทษเนีนเนีนบอกว่าไม่ไม่จะเป็นโทษของอาจารย์หรอกไม่เป็นโทษของผมมันเป็นโทษของวัตตะนี่คือจานวนดีพระอริยญาทัานชอบใจนะะเป็นโทษของวัตตะหมายความยังไงหมายความว่าเรื่องทั้งหมดปัญหาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่เกิดมันไม่มีปัญหาหรอกที่มันมีปัญหาเพราะเราเกิดขึ้นมา เพื่อนไมองท่านจะมองสาวมองสาวความทุกข์นทุกขเวทนาที่เกิดตัวนี้มันมาจากอะไรมันมาจากความเจ็บพอเจ็บมาจากความแก่ความแก่มันจากความตายความตายมาจากอะไรมาจากกิเลสมันก็กลายเป็นกระบวนการทางสังสารวัฏว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการเกิดและการเกิดที่เจอมันก็เป็นผลคือมาจากกิเลสและมองเห็นโทษของกิเลสก็ทําให้หน่ายลักษณะของหนาย เพานเวลาเวลาท่านแสดงโดยสรุปหมายความว่าถ้ามองจากจุดนี้จะเกิดความรู้เห็นมันก็กลายเป็นทางวิสุทธิอีกทางหนึ่งที่ท่านบอกว่าสเบสังขารดุขาตีนะเมื่อใดบุคคลทั้งหลายมาเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้คาว่าหน่ายในทุกข์หมายความว่าทุกข์กับขันทั้งหลายเนี่ยนะ ที่เราควยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นกันที่จริงไม่เป็นกองทุกข์ทั้งนี น, นายในทุกตรงนี้หมายความว่าหยุดความรู้สึกว่าของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปแล้วก็นี้เป็นทางแห่งความหมดจดจะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆเพราะว่าทําลายกิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือในความทุกข์เหล่านั้นไปได้จะหมายความขาจัดวิปลาสตรงนี้ได้ อย่างสมบูรณ์นะฮะมันก็ทำให้ิตใจถลุดพ้นจากอานาจของกิเลสได้อย่างสมบูรณ์แต่ในภาคปฏิบัติจริงๆมันก็ไปถึงจุดนั้นก็ยากะนะทางไกลแนวคาสอนจึงสอนให้พิจารณาถึงความจริงตรงนี้อย่าน้อยก็อย่าเอาจริงเอาจังกับมันเกิดไปเพราะจริงๆมันก็เป็นอย่างที่มันเป็น เดือดร้อนกับมันมันก็หาเรื่องของเรามันเหมือนกันหนาวนี่นะแต่เราไปเดือดร้อนเพราะหนาวมันก็เดือดร้อนอย่างนั้นหนาวหนามนก็เรื่องของมันนะ่ะแต่เราทํำยังไงอย่าให้ความหนาวมันเฉียดแทงได้นั้นเด็เราไปแก้ที่หนาไม่ได้แต่เราบรรเทาที่ตัวความหนาวได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจใจอย่าไปบวกให้มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหิวความกระหายความทุกข์ในด้านอะไรก็ตามคือไม่เอาใจเข้าไปบวกไม่ไปรู้สึกเอาตัวเข้าไปผูกนะฮะเราหนาวเราหิวเราเป็นทุกข์เราไม่สบายทำไมจึงต้องเป็นเราอะไรอะไรเนี่ยมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นเพราะ น, นอาอยทบทจึงเป็นตัวบงังที่ทำให้เรามองเห็นเขาไม่เชัด ล้วก็ปรับเปลี่ยนก็เราไปเรื่อยๆอีกแนวหนึ่งก็คือมองเห็นสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ว่าคนจะมองเป็นตัวเป็นตนตรงนี้ที่เคยพูดเรื่องสักกายะที่พรเจ้าใช้คำบางทีสองคำนะสองคำเป็นคู่คู่อาาา้างการมาังการอัตตาอัตตนญาสองคู่นะะคนละคนละอันกันคนละขณะ แล้วก็อ้ังการอ ม, มังการเนี่ยเป็นเป็นเป็นอาการของกิเลสที่เป็นเหตุได้เกิดความรู้สึกว่าอ้างการก็คือเราเราเป็นอย่างนั้นเราเราอย่างนี้เราเราเราอย่างนั้นแล้วก็มามังการก็คือของเราให้ลองสังเกตว่าพวกนี้มันจะเกิดตามความเป็นการเป็นถ้าเรายึดถือในความเป็นแล้วเราจะเกิดหลงว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ เช่นว่ามีชั้นมียศมีตำแหน่งมีซีมีอะไรอะต่างๆไงนะอัตตามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนครับถนนเลยกรนี้ก็แสดงว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นจริงแล้วก็ซาบซึ้งกับความเป็นเหล่านั้นดิ้นรนเพื่อความเป็นแล้วเป็นทุกข์มาจากความเป็น นะบางคนก็หลงตัวความเป็นนะเช่นเช่นพวกดาราพวกนักแสดงอะไรแต่ไรแสดงบ่อยๆแสดงบ ท, บงบทใหญ่ๆบทเป็นราชาราชิ น, นีบทเป็นอะไรตำแหนง่งใหญ่ๆนะฮะตำแหนง่งใหญ่ๆในบทละครบางที่มันก็หลงกับความเป็นเหล่านั้ น, นยึดติดในความเป็นเหล่านั้น นั้นก็แสดงมันเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาคือความหลงแล้วเข้าใจว่าเราเป็นตัวเป็นตนจริงๆก็เพื่อมาปลดรือตัวเองก็ข่อย้าเพื่อมามังการนะของเราของเราของเราของเราก็ว่าไปเลยและจะข่อยพากันไม่รู้จักจบจักสิน้นเดินบางครั้งบางคราก็ต้องทำชั่วเพื่อ ของเราเพื่อตอบสนองอัตตาของเราว่าเรามันต้องเป็นอย่างนั้นเรามันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีไม่พอก็คว้ากันไปเรื่อยจนถึงต้องทําความชั่วเพื่อได้เพื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองประเสริมอัตตานะที่ยิ่งมันเสริอมตตาเสรมอัตต า, อ ต, ตาของเราเองจะกินจะอยู่จะอะไรมันก็รุ่มหังไปหมดเลยซึ่งเราเห็นตรงตรงนี้ว่าลักษณะของ ของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านท่านไม่จิตในตรงเนี้นะฮะดูพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระอะไรก็ได้นะฮะดูอะไรก็ได้พระเจ้าท่านท่านขนาดนั้นแล้วนะขนาดนั้นบูมใหญ่จังเลยลูกศิษย์ลูกหาพระราชาหมากราาิย์มาหมอบแท้พระบาทเลยนะมาลูกพระบาท อ, อกฝุน่นธุลีละ อ, องพระบาทไป ป, ไปูดไปไปโรยบนหัวตัวเองอะนะมันไม่ใช่เล่นนะ แต่พระเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเราคงอยู่อย่างนั้นคงบินทบาตฉันอย่างนั้นอยู่ตามป่าตามถาม้ำตามเขาตามโคนไม้คุยกับใครก็ได้จะเป็นยังไงก็ได้นั่นคือเราจะจะเห็นว่าท่านท่านไม่มีความรู้สึกว่าเป็นท่านเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นรายใจเลยแต่ว่าในชั้นบิ น, นัยต้อง ก็อย่างที่เคยเล่าว่าพุทธเจ้าพระอระหันต์นะฮะพุทธศาัน์สำนวนอภิธรรมก็เรียกว่าจิตท่านเป็นโลกุตรัตถ์หมายความจริงจริงจิตท่านอยู่เหนือโลกทุกอย่างเหนือโลกหมดแต่คนเราถ้าเหนือโลกมันก็พูดกับมนุษย์ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องลงมาใช้จิตที่เป็นกา ม, มาพจน์ก็คืก็เราเรียนจบอะไรก็ได้นะฮะ จบอะไรมันก็ได้เป็นด็อกเตอร์สกกิปริญยาก็ตามแต่มาพูดกับเด็กมันก็ต้องพูดใยภาษาเด็กพูดในภาษาปริญญาภาษาวิชาการภาษาปรัช ญ, ญาไม่ได้มันต้องพูดในภาษาเด็กพูดกับเด็กพระเจ้าจึงใช้จิตที่เป็นกามาประจรกามาประจรมันก็มีสมมตินะมีสมมติมีสมมติมีบัญญัติเพราะเราจึงพบว่าในชั้นของวินัยจะมีการดูพระ การดุพระมีการลงโทษพระมีการตำหนิตีเตียนพระเนวลาทำผิดแต่ไม่จะทำด้วยกิเลสไม่จะทำรู้สึกอหังการมังการไม่ทำเลยมานาทิติอะไรแต่ทำด้วยความกรุณาต่อคนเ่าเนั้นบางทีก็รับสั่หน้ากลัวนะฮะมันเหมือนกับช่างเหล็กตีเหล็กตีแล้วตีอีกนะตีแล้วตีอีกตีจนใช้ได้อ่ะนะตีจนใช้ได้ ใครมีสาระก็อยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปดุดุนะฮะกระทางกันดกแต่นั้นคือภาษาที่สื่อกับชาวโลกภาษาที่สื่อกับชาวโลกให้เกิดความเข้าใจว่าอย่างนี้ไม่ถูกไม่ควรมันต้องใช้ภาษาเนี่ยเป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าใจไม่ได้ไปตามภาษาไม่ได้ไปตามภาษาเหล่านั้น นั่นก็เพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีอัตตาไม่รู้สึกว่าเป็นพระองค์ไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนของพระองค์เราจรึงได้ยินคำสอนที่เสริมนะฮะมัไม่ใช่ถอนนคือเสริมจะได้ททำตนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะทาตนเมื่ดินเมือ น, น้ำเมื่อลมเมื่อไฟเอาดินน้ำลมไฟมาสอนเยอะแยะไปหมดเลยอย่าใ น, นกรณีของอารมณ์ ดีมันมันเพราะมีตัวมีตนนะฮะจึงมีการรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราขึ้นมานี่ก็ทรงสอนในแนวว่าเหมือนกันลมลมไม่คล้องไม่ติดนะฮะไปพัดผ่านสิ่งหอมมันก็ไม่ติดในความหอมไปพัดผ่านของเหม็นมันก็ไม่ติดในความเหม็นมันจะจางไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวจะหายไปนะเราจะเห็นว่าถ้าเราอยู่ใต้ลมลมมันผ่านอะไรมาเราอาจจะได้กลิ่นนะ แต่ว่ากิ่งจะจางจนหายไปหมดเลยมันจะไม่คล้องไม่ติดลักษณะเหมือนหลมหรือไม่คล้องไม่ติดอยู่ในที่ใดลักษณะเหมือนน้ําักษณะเหมือนน้ําที่สามารถปรับตัวเองให้อยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ยึดติดในรูปแบบอะไรคือไหลไปตรงไหนมันก็ปรับเข้ากับตรงนั้นก็ได้โดยไม่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะฮะเราจะเแบบแบบน้ําไหลบางทีน้ำมันกัครูเยอะนะฮะไปนั่งดูน้ำเนี่ยเป็นครูสอน ดูสอนเทศได้ไปเล่มๆหนังสือไปนั่งอยู่ริมน้ําไหลนะะนั่งริมน้ําไหลแเราจะสอนอะไรได้เยอะเลยนั่งดูก็ได้สมาธิก็ได้วิปัสสนาก็ได้ธรรมะองค์ธรรมต่างๆก็ได้เยอะๆไปหมดเรียก่าธรรมมุปปมาอุปมาธรรมะหรือเหมือนไฟนะไฟนะั่นจะสอนทั้งสองแนวนะแนวที่เผาพรานเผาพรานสอนทั้งสองแนวด้วยนะเผาพรานความดีความชั่ว ลักษณะเผาผพานความชั่วก็พูดถึงไฟเผาความดีก็พูดในแง่ไฟนะพูดในแง่ไฟไฟในลักษณะทําลายไฟในลักษณะสร้างสรรค์นะเหมือนกับไฟใช้หุงต้มมราก็ใช้ไฟนะไฟไม้บ้านมันก็ไฟแต่ไฟไม้บ้านมันไฟทําลายไฟหุงต้มมันไฟสร้างสรรค์ใช้ความร้อนอย่างเดียวกัน พูดเรื่องความร้อนเนี่ยเดียวกันแต่ความร้อนระดับที่เราคุมได้กับความร้อนระดับที่เราคุมไม่ได้แต่เราคุมไม่ได้ก็เป็นไฟที่ทำลายแต่เราคุมได้ก็ไปกลายเป็นไฟที่สร้างสรรค์แล้วก็พูดไฟนะลักษณะที่เป็นแสงแลักษณะที่เป็นแสงคือขจัดความมืดจ้ให้แสงสว่างจะพูดหลายแนวตลอดถึงพวกอากาศ นะพูดถึงอากาศพูดดินน้ำลมไฟดินเนี่ยเยอะเหมือนกันนะดินเยอะดินจะเน้นไปในทางไม่อ่อนไหวไปกับอารมณนะ์เราจะเห็นว่าจะทิ้งอะไรลงไปก็ตามดินก็จะไม่ยินดียินร้ายอะไรเพราะฉะนั้นใจคนเนี่จะทำใจเสมอแผ่นดินแผ่นดินในแนวของการไม่หวั่นไหวในแนวของการไม่ยินดียินร้าย ในแนวการรองรับสิ่งทั้งหลายในลักษณะต้านทานนะครับประคับประคองสิ่งทั้งหลายก็ว่าเยอะเลยคือนี้ก็สรุปว่าให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ไม่ไปยึดมั่นในตัวในตนเกินไปคือไม่หลงตัวลงตนเกินไปการมองตรงสอนให้มอง ในแนวหนึ่งก็คือหนึ่งเราไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้สั่งการอะไรได้โดยเฉพาะการร่างกายเราเองเราดูแลทนุธนอมเอาใจแก่สารพัดเนี่ยนะฮะเราก็ปรุงมมเงินทองที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยมันเรื่องของกายส่วนใหญ่ปรนปลือกายนะกายต้องดูต้องฟังต้องดมต้องลิ้มต้องชิมต้องจับต้องต้องนุ่งข ม, มต้องโอสารพัด นะแต่เราก็ไม่เคยพูดกับแกรู้เรื่องสักทีหนึ่งอยู่กันมาตั้งแต่เกิดถึงตายพูดจากันไม่รู้เรื่องก็ร้องอะไรกันไม่ได้ห้ามปรามอะไรกันก็ไม่ได้บุคคจะแก่แกจะเจ็บกกจะปวยก็จะเมื่อยแกก็เป็นของแกเรื่อยนั้นก็แสดงเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยไม่ต้องไปบังคับข้างนอกตัวเราเองเรายบังคับอะไรเขาไม่ได้แต่คนเราก็ชอบบังคับนะชอบสั่งคนนั้นคนนี้คนนู้น แต่ลืมไปว่าเอาก็จริงตัวเราเองเราสั่งอะไรไม่ได้แล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือสั่งตัวเองไม่ให้ชอบสั่งคนอื่นเนี่ไม่ได้คนเราจรึงชอบสั่งชอบปรุงการชอบแสดงความมีอำนาจสามารถจะสั่งการชี้นิว้วอะไรแต่ไหเนี่ยที่จริงลักษณะตัวนี้ถ้าเรามองอีมุมหนึ่งคือคนอ่อนแอนะคือคนที่อ่อนแอควบคุมตัวเองไม่ได้ บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้แต่ว่าชอบอชอบสั่งการชอบปงการชอบบังคับบัญชาคนอื่นเรามองอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าจิตใจอ่อนแอแต่ว่าสังคมอาจจะอูเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงๆก็ไม่จริงนะะแต่เรามองเบื้องหลังคนคนเหล่านี้ที่จริงก็เป็นคนอ่อนแอ่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตจะ ท, ทาไป ประการต่อไปก็คือตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนหดึกที่คนเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีนะฮะสิ่งเป็นตัวเป็นตนนั้นมันเกิดจากการสร้างสารรค์ขึ้นแล้วก็กลายเป็นอุปท า, านไปยึดมั่นถือมั่นอย่างเนี้ยอย่างๆตัวอย่างะจะแม่กวรอิ่มไหมนะฮะแต่โดยประวัติศาสตร์จริงๆจะแม่กวรอิมไม่มีนะฮะไม่มีประวัติศาสตร์เลยเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเฉยๆ สร้างขึ้นมาเพื่อจะแข่งกับพระนารายณ์ของศาสนาพราหมณ์แต่นั้นเองเป็นคนยุคใหม่คนรุ่นหนุ่มสาวสมัยศตวตรรษที่หกเราต้องการจะแข่งกับศาสนาพราหมณ์พราหมณ์ก็มีพระนารายณ์อวตารมาช่วยตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเราอาจตายเพรื่อดเดียวเจ็ดองเลยนะเป็นอวิโลกิเตศวนวันอิมเนี่เป็นภาคหนึ่งของอวิโลกิเตศวนอวิโลกิเตศวนก็คืออวตาร เราจวจริงๆก็เป็นเรื่องของการอวตารเป็นภาพจินตนาการเฉยๆแต่ว่าเวลนี้ยมั น, ม, นมันรู้สึกว่ามีแล้วก็มีเยอะด้วยนะรู้สึกว่ามีเยอะ้วยแสแดงว่าชื่อนี้เป็นที่สนใจยอมรับของคนทางหลายและพวกเททิดาที่ท่านมีบารมีท่านก็สวมตาแหน่งนี้ไปทำงานในตำแหน่งนี้แต่เดินจริงๆไม่มีหรอกเป็นบุคคลี่เราสร้างกันมาขึ้นขึ้นขึ้นมาเพื่อแข่งกันนั้นเอง จะแข่งกับศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะแข่งกับพระนารายเป็นตัวเป็นตัวชนพนารายนะฮะเป็นตัวชนพนารายคล้ายกับอมิตาภพุทธะเป็นตัวชนพระพรหมตัวชนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับพระพรหมแลแข่งกับพระพรหมเป็นเป็นเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์แต่อย่าลืมว่าพวกสิ่งของนี้มันสร้างขึ้นเนี่ยมันก็คนก็ไปไปไปยอมรับเป็นรูปอุปาทานขึ้นมามันก็มี ในความรู้สึกก่อนแล้วก็มีในรูปของแรงบันดาลใจที่คนชอบตรงนี้แล้วก็ชอบมาทำงานในตรงนี้ก็กลายเป็นเป็นเจ้าแม่กวนอิมเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะถ้านับแล้วมีสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้เจ้าพาะเมืองไทยเองก็เยอะเลวเกินท่งกันพร้อมๆกันทุกส่วนของประเทศนี่ก็คือก็คือเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องของอุปท า, านที่เราสร้างขึ้น มันมีสมหรับเรานะมันมีสมหรับเราแล้วก็มีขึ้นไประดับจนกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ยังเลือมาการการสร้างในอันนี้มันมันจะใช้เวลานานพอสมควรแต่ถ้าเรามีเชื้ออยู่แล้วมันก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะไม่ไม่ไมค่อยนานเท่าไหร่ก็สร้างขึ้นมาได้ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่เที่ยงแท้ทจริงมันไม่มีไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนเป็นตัวตนถาวรเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่ก็คล้ายๆกับภูเขานะภูเขาก็ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็ตายไปก่อนภนะูเขามันยังอยู่แต่ภูเขาต่อไปมันก็เสื่อมเพียงแต่ว่าอายุมันนานโลกเองจากวานเดมก็ต้องแตกดับเพียงแต่มันนานเราอายุเราไปไปไ ป, ไปคอยดูไม่ได้มันจะแตกดับเมื่อไรอแต่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องแตกดับ เพราะว่ามันเป็นสังขารซึ่งจะต้องมีการแตกตัดประการต่อไปก็คือว่าเราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงสักอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นหลายมันเริ่มมาจากไม่มีนะแล้วก็เกิดมีเรารู้สึกว่าเรามีรู้สึกว่าเรามีพอมันหายเรารู้สึกว่าเราหายของเราหาย แต่จริงสิ่งเหล่านั้นมันก็มามันก็ไหลไปตามธรรมดาแ ค, แค่แค่ก็เวลาอย่างที่ว่าเนี่ยแค่แค่ก็เวลามันก็มาเพราะงั้นเราไม่มีอะไรเป็นเจ้าของอะไรจริงๆแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่เป็นเจ้าของจริงที่ท่านสอนให้เราคิดในคาถาบังสกุลเป็นนี่ยนะบังสกุลเป็นที่ลาอาจิรังวตายังกายโยร่างกายนี้ไม่นานนองวัฏวิบินปฏิเสธสติก็จะล้มลงล้มล ง, ลงเหนือแผ่นดิน จุดดวเปตวิน ญ, ญาโนภวิน ญ, ญาณออกไปจากล่างมันก็นิรัดถังวะกะลิงกะหลังมันก็ท่อนไม้มันก็ท่อนไม้มทอม่ทอนหนึ่งอ่ะตีหาสาระเกลนสารอะไรไม่ได้ท่อนไม้ยังดีนะยังเอาไปทําอะไรได้คิดเป็นลูกบาศเม็ดได้แต่ว่าศพมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนี่ก็คือก็คือจริงๆมันไม่มีตัวมีตนอย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ไม่เป็นเจ้าของแม้แต่ตัวของเรา อยู่เจ้าส่งสอนว่าคนหลายบุญเพลิไปตราบของเราเลือกสวนได้นาของเราบุญพันญาสามีของเราแท้จริงตัวเรามันก็ไม่จะเป็นของเราอสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไงตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะตราบใดที่เรายังละสักกายะไม่ได้นะฮะความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ตราบนี้มันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราเราลองดูว่าพระโสดาบันเนี่ยที่จริงท่านละสักกายะทิ่ส ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือตัวถือตนในทันละได้แต่ว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นยังล่าไม่ได้ะพระนางวิสาขาก็ร้องโห่มร้องไห้เวลาหลานชายตายเห็นไหมอนาตบินนิกาเศรษฐีก็ร้องไห้ทั้งทั้งที่เป็นประโสดาบันเนี่ยนั่งร้องไห้เสียหเสียใจอยู่แต่แปลกที่พระนางมริกาเทวีที่ล่าเนี่ยนะท่านก็เป็นประโสดาบันนะแต่ท่านไม่ร้องนะท่านไม่ร้องไห้แสดงว่าแน่มากคือพระโสดาบันเองก็มีสามระดับนะฮะเรียกฮีนาบจีมาปณีตา ระดับประณีตระดับประณีตเนี่ยตายอีกชาติเดียวก็บรรลุพระพรละคล้ายๆพระนาคามีไปเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเกรดเอกพีชีคือเกิดอีกชาติเดียวแล้วโกลังโกละเกิดอีกสองชาติเกิดอีกไม่เกินสามชาติแล้วสัตตะกตุ ป, ปรมาไอพวกนี้จะไม่เกินเจ็ชาติก็แสดงว่าอย่างอ่อนพวกนี้พวกนี้อย่างอย่างหยาเป็นพระโสดาบันระดับหยา เราก็กลายเป็นเครื่องมือในการวัดจิตของท่านเหล่านี้ได้ว่าสามท่านนี้เราเห็นได้ชัดเลว่านามริกาทวีเนี่สูงกว่าเพื่อนจิตสูงกว่าเพื่อนตายรวดเดียวนะสามสิบสามคนอะรวดเดียวสามในสามคนไม่ใช่เล่นเนี่ยครอบครัวหมดทั้งทั้งทั้งครอบครัวคืนเดียวแต่นั่นเองแต่แต่ท่านก็ไม่เรียกร้อนอะไรนี่แสดงว่าท่านอยู่ระดับแรก เป็นพระโสดาบันระดับระดับประณีตนะนก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงแล้วก็ไปสอนลูกสะพ้ายด้วยนะลูกสะพายด้วยลูกสะพ้ายก็เห็นตามอย่างนงั้นฝีมือไม่ใช่ธรรมดาฝีมือไม่ใช่ธรรมดาปรับใจได้หมดสามสิบสามคนนะสาม3ิสามคน แล้วกระทั่งก็ต่อไปก็ทั่งก็เป็นหลักตอนรพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยพระนางมรดิกาเนี่ยไปเป็นหลักกับที่นอนที่กุศลนาราเพราะท่านเป็นลูกสาวของกษัตริย์มัลลักแล้วก็ต่อไปเมื่อย่อยนะฮะย่อยมองในแนวย่อยว่าการเป็นตัวเป็นตัวนวี่จริงมันเรื่องการเกาะกุมอย่างราชรถอย่างบ้านอย่างอาคารนะฮะเพราะถ้าเราย่อยกลับไปสู่สภาพเดิมก็คือไม่มีเหมือนเดิม ท่านบอกว่ามันเริ่มจากอภาวะคือไม่มีทั้งหมดมันไม่มีมาก่อนแม้แต่โลกเองมันก็ไม่มีอนะแล้วพอเหตุปัจจัยมัประกอบกลุมกันข้ามันก็เกิดเป็นความมีขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจริงมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยเพราะนั้นพอเหตุปัจจัยย่อยสลายมันก็กลับสู่สภาพเดิมคือไม่มีเห็นไหะจากไม่มีมันสู่ความมีจากความมีไปสู่ความไม่มีจากความไม่มีไปสู่ความมีมันก็หมุนกันอย่างนี้ก็แค่คนตกแดดออก แค่ควรตกแดดออกอยู่อเงี้ยมันก็อยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาตราบใดที่ปัจจัยตรงนี้ยังมีอยู่การมีมันก็มีอยู่แต่ไม่ใช่มีอย่างมีเพื่อจะไม่มีนะฮะมีเพื่อจะไม่มีมีอย่างไม่มีหมายความถ้าเรามองในตรงนั้นมันคล้ายกับมีแต่มองจริงๆมันไม่มีแมนะ้แต่ความสวยความไม่สวยความอร่อยไม่อร่อยไผ่รอ้ยรอยไม่ไผ่ร้จริงๆมันไม่มีนะฮะในในแง่วิทยาศาสตร์เองก็ถือว่าไม่มี ถ้าเราเรียนลึกไปจริงๆเราจะเห็นว่าไม่มีมันเป็นมันมันเป็นอะไรเป็นสภาพเป็นช่วงห่างตรงนั้นตรงนี้เป็นเงื่อนไขปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นภาพมองอย่างนั้นอย่างนี้ภาพมองระดับนั้นเป็นอย่างนั้นมองระดับนี้เป็นอย่างนี้อะไรตอนจริงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากการปรุงของคนการสะสมของคนอร่อยไม่อร่อยหอมไม่หอมอะไรนี่ไฟรอ้อนไม่ไฟร้อนเราเห็นได้ชัดต่างเสียงกันนะ อย่างกันก็พิสูจน์ได้ไหมแต่กินอาหารโต๊ะเดียวกันว่าอร่อยไม่ใช่สากลอร่อยไม่ใช่สากลถ้าสากล น, นั้นคนกินอาหารถ้วยเดียวกันนั่นเองแต่สแสดงว่าต่างคนต่างอร่อยต่างคนต่างอร่อยน้ำหอมจึงมีขายได้ทุกยี่ห้อเพราะต่างคนต่างหอมต่างคนต่างรู้สึกมันหอมสมหรับเรามันจริงๆหอมมันไม่มีโดยสภาพจริงๆมันก็ไม่มี อรอยก็ไม่มีสวยก็ไม่มีโดยสภาพท่านจริงเรียกว่าเป็นมายาเป็นมารยาเป็นภาพมายาที่มองจากมุมหนึ่งใกล้ๆมันมีแต่มองจากจุดหนึ่งที่จริงไม่มีที่ท่านสอนให้มองพยับแดดมันเหมือนกับพยับแดดนะมองจากจุดหนึ่งระดับหนึ่งเราอยู่ห่างระดับหนึ่งเราก็เห็นเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่เห็นภาพนั้นจริงทนทีภาพนั้นมันจะอยู่ช่วงตรงนั้นทุก ทุกทีใกล้มานิดหนึ่งก็ไม่ได้ใกล้มานิดหนึ่งก็ไม่ได้มันจะเห็นระดับนั้นเท่านั้นเองนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นมายาพอย่อยไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคราชนะพระโมคคราชได้รับกราบทูลถามว่าท่านจะมองเห็นโลกอย่างไงจะไม่ไปสู่อำนาจของความตายจะหลุดพ้นจากความตายได้ ผู้เจ้ามองว่าโลกเป็นของว่างจะถอนอัตตานุทิชิคือความรู้สึกเป็นเราอะเรารู้สึกเป็นเราหรือเราเป็นออกไปเสียแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีทั้งของเราเพราะไม่มีเราให้มีของเห็นไหมมันไม่มีเราให้มีของเราเพราะถ้าเราถอนเราได้แล้วเนี่ยเราเราก็จะอยู่ยังไงสมมติว่าเราไปในที่ใดๆเนี่ยนะ ถ้าเราไม่แบกอัตตาเราไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้นั่งเางก็ได้เดินอย่างไงก็ได้กินอย่งไก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรที่ทรงสอนมางทีอุปมาเหมือนภาพเปื้อนธุลี้าเช็ดเท้าบ้างภาพเปื้อนธุลีบ้างาแผ่นดินน้ำลมไฟที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรก็ไม่จะไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายจิตจิต จ, จะไม่ฟูไม่ไม่แพรตามอารมณ์ทั้งหลาย เพราะจริงๆมันไม่มีตัวตนให้ให้ไปยึดถืออย่างนั้นตรงนี้ก็จะทรงแสดงแนวเดียวกันว่าสเบสธรรมานัตตาติอนัตตาเนี่ยมันมันคลุมนะมันคลุมหมดเลยอนัตตาเนี่ยแต่อริจังทุกขังไม่คลุมหมดนะฮะนิพพานมันอยู่นอกอยู่นอกสูตรของอริจังทุกขงังนิพพานยังเป็นนิจังคือเชี่ยงนะเป็นสุขขังคือสุขแล้วแต่เป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาคือ ว่างจากอนัตตาในความหมายว่าว่างนะว่างจากอัตตาว่างจากตัวว่างจากเราว่างจากของเราว่างจากตัวตนของเราคือไม่มีความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ใช่หมายถึงศูนย์นะไม่ใช่หมายถึงศูนย์แต่หมายถึงว่างหมถึงไม่มีไม่มีไอ้สิ่งที่ที่ที่มันมากับอัตตานะเมื่อเราถอนตัวอัตตาได้มันมันก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับ ความร้อนเมื่อเราดับไฟแล้วไอ้สิ่งที่มาจากความร้อนมันหมดไปด้วยสิ่งที่มากองไฟเลยมันหมดไปด้วยจะเป็นความร้อนก็ดีจะเป็นแสงสว่างก็ดีจะเป็นการเผาไหม้ก็ดีจะทำให้เราร้อนโดยก็ดีอะไรแต่ะมันหายไปหมดสิ่งที่มาก็อัตตามันก็หายไปหมดเพราะมันเกิดอีกพลิกด้านหนึ่งขึ้นมาก็เป็นอนัตตาเพราะนั้นก็กลายเป็นทางบริสุทธิ์หมดจุดเป็นมรควิธทีที่ทรงแสดง ว่ามันเสมอกันในสัตว์ในสังขารทั้งหลายนะแล้วก็เราเองก็ตกอยู่ในกฎตรงนี้แต่ก็มีปัญหาที่ว่าส่วนใหญ่แล้วโ ล, โลกมองคลาดเคลื่อนจากความจริงโลกจึงมีปัญหาเพราะว่ามองสิ่งทั้งหลายไม่ตรงกับความเป็นจริงไป ม, มองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งที่เป็นอัตตาอนัตตาว่าเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะว่าเรามองในภาพของการเกาะกลุ่มกันอยู่ แต่ถ้าเราย่อยแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่มีดังที่ยึดถือแล้วก็ปักใจวใังใจกันสมหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองกงามไปูนในธรรมจงมีแด่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านเอือ